แล้วพากันวิ่งไล่จับจาได้จึงปล่อยไปครั้นภิกษุนั้นไปถึงวัดจึงเล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลายถามว่าท่านใช้ไม้เท้ากับสาแหกหรือภิกษุนั้นรับว่าอย่างนั้นท่านทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษต่างตำหนปิประนามโพนทานาว่า ฉไนภิกษุจึงใช้ไม้เท้ากับสาแหกเล่าต่อมาภิกษุเหล่านั้นจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีคาถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้ไม้เท้ากับสาแหก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 ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สงฆ์ให้ทันดับสมมติแก่ภิกษุผู้เป็นไข้